หมวดที่1ิภพกษุทั้งหลายนิยสกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคือหนึ่งไม่โจทย์ก่อนแล้วจึงลงสองลงโดยไม่ชอบธรรมสามสงแบ่งพวกกันลงพิกษุทั้งหลาย